เพราะฉะนั้นมันช่วยได้แต่ทางกายเท่านั้นทางจิตจริงๆไม่ช่วยเพราะันถ้าเป็นสุขในทางธรรมะนะทางกายช่วยได้ก็ช่วยด้วยแต่ที่สำคัญคือช่วยทางจิตปัญญาให้รู้จักบัดน้อยให้รู้จักสันโดษให้รู้จักอะไรอะเลิกฟุ่มเฟือยให้รู้จักใช้ชีวิตที่มันเป็นอยู่แบบเรียบเรียบง่ายๆขึ้นไม่ต้องไปมี ตนหาไม่ต้องไปมีอุปทานความโลภในสิ่งต่างๆหรือความเกลียดชังในเรื่องต่างๆฮวนถ้าแก้อย่างนี้ได้คนนั้นนะถึงจะพ้นทุกข์ได้จริงๆฮวนผู้จ้าถึงได้ตัดสรุปตรงที่ว่าเนี่ยผู้พั่มสอนทมชื่อว่าให้ความพ้นทุกข์ฮวนคนที่พ่มสอนทรมาให้เราดีที่สุดคือใครคือใครตัวเราเอง <laughs> เพราะบางทีเนี่ยต่อให้ภพเสื้อเจ้าเทศให้ฟังก็ตามถ้าพุทเจ้ามาเกิดใหม่ได้นะมาเทศเราฟังก็ตามถ้าเราฟังแล้วเราไม่เอาไปสอนตัวเองเลยนะให้ท่านสอนเราพอแล้วแต่ว่าเราไม่เอาไปปฏิบัติไม่เอาไปบังคับจิตบังคับใจเราเองไม่ไปสอนตัวเองเวลาทำอะไรผิดผก็โยนโยนโยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข่าวหน้าก่อนข่าวหน้าก่อนโยนยนโยนเดี๋ยวข่าวหน้าก่อน อย่างเงี้ยไม่ได้สอนตัวเองเลยเพราะในที่สุดก็ทําผิดแล้วยิ่งทําผิดซ้ำไปเรื่อยๆซ้าไปเรื่อยๆความผิดย่อมสะสมกิเลสตัวนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมันจะน้อยลงได้ไงมันก็ไม่น้อยลงเมื่อไม่น้อยลงคนนั้นก็ก็สุกแบบกิเลสได้สมใจก็สุกแบบกิเลสแต่เดี๋ยวเขาก็ต้องทุกข์อีกยิ่งคราวนี้กิเลสหนาขึ้นกิเลสมากขึ้นพอเวลาเจอทุก ทุกจะหนาขึ้นทุกจะมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะถ้าใครไม่เข้าใจตรงเนี้จะขี้เกียร์สอนตัวเองชอบให้คนอื่นสอนจะขี้เกียร์สอนตัวเองเยอะด้วยคนในโลกเนี้ยส่วนใหญ่ขี้เกียร์สอนตัวเองชอบให้คนอื่นสอนแล้วคนอื่นสอนเนี้ยจะสอนแบบเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามอย่างเช่นเราไปทําอะไรผิดๆเนี่ยเขาด่าให้ จริงเขาจะเจตนาจะสอนเราจริงๆหรอกนะแต่เขาเห็นนี่ทำไม่ถูกทำไม่ดีจะเขาด่าให้นั่นเองอย่างเงี้ยนี่คือบางทีเขาไม่ได้เจตนาจะสอนจริงนะแต่โดยสัจจะเนะี่ยโดยความเป็นจริงเราทำไม่ดีทำไม่ถูกต้องเขาก็ด่าเขาให้เท่านั้นเองอด่า ว, ว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงทำงี้ไม่ดีนไม่ถูกเขาดา่าเขาไม่ได้มีเมตตาในการสอนนะ เขาจะเล่นงานเอาด้วยอย่างเงี้ยคือก็ก็ต้องรอให้คนอื่นมาสอนให้อยู่เรื่อยสอนให้โดยไม่เจตนาเนี่ยแปลกนะบางทีมีคนสอนให้โดยเจตนาอย่างนงี้บางทีพ่อแม่สอนลูกหรือครูครูอาจารย์เนี่ยสอนลูกศิษย์โอโหสอนด้วยจิตมีเมตตาด้วยนะสอนด้วยเจตนาดีด้วยนะแต่ลูกบางทีไม่เชื่อฟัง ไม่เชื่อฟังเผลอๆที่สอนไปเนี่ยบอกอย่างนี้ไม่ดีนะอย่างนี้ไม่ถูกเนาะอย่าไปทำนะปรากฏว่ายิ่งห้าเหมือนยิ่งยุยิ่งทำใหญ่เลยเออแล้วขีมกักจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะเนี่ยเนี่ยคืออำนาจของกิเลสมันดึงไปมันจูงไปทำให้แบบว่าบางทีก็เลยเด็กๆจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่เคารพพ่อแม่แล้วบางทีทำอะไร ตรงข้ามกับที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนหรือแม้แต่ครูอาจารย์เนี่ยบางทีครูอาจารย์ก็สอนอย่างนี้ไม่ดีนะมันผิดนะอย่าไปทำนะจนกระทั่งบางทีนะขู่ว่าถ้าทำไม่ดีบางงี่ไล่ออกนะหรือว่าตัดคะแนนน ะ, ะหรือว่าจะต้องโดนลงโทษอย่างนั้นอย่างนี้นะโอ้คิดดูเอาบางทีถึงขนาดนี้นะยังยังหนีไปทาจนได้อืม อย่างอย่างเงี้ยเอาเอาปัจจุบันนี้เอฟุตบอลยูโรเขาแข่งกันเนี่ยก็ประกาศกันโคมโคมอยู่ว่าอะไรว่าอย่าไปเล่นเลยอย่าไปเล่นพนันบอลแต่เนี่ยดูที่เขาจับมาได้ตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วมันก็เล่นกันโคลมก็รู้อยู่แล้วว่ามันมันเลวมันไม่ดีมันเป็นอใบยมุกก็ทําให้เสียเงินเสียทองทําให้คนอื่นก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยนะพอ พอไม่มีเงินพอไปใช้หนี้พนันก็ทุจริตมั่งคอร์รัปชันมั่งไปโกงเขามั่งหรือว่าไปฉก ช, ชิงวิ่งลาวโอ้เผลอเผอก็ไปขายยาเพื่อที่อยากให้ได้เงินมาไม่ใช่ขายยาแก้ไอนะขายยานี่ไปขายยาเสพติดไปขายยาไอ้ที่มันจะได้เงินมาทีเยอะๆอะไรเงี้ยนั่นแหละหรือไปทําอะไรที่มันเร็วๆเร้าๆเพื่อที่ให้ได้เงินมาเยอะๆ แล้วก็จะมาได้แบบมาใช้เล่นพนันบอลต่อไปอีกก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคุณคิดดูเอาก็แล้วกันฮอนถึงบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องสอนตัวเองต้องตําหนิตัวเองต้องว่าตัวเองให้ได้อย่าไปรอคนอื่นมาว่าเราต้องมาคอยสอนเราสแสดงว่าแย่แล้วนะเราถึงต้องแมมมาคอยให้คนอื่นมาสอนสแสดงว่าโง่ แรงว่างโง่ต้องให้คนอื่นเข้ามาสอนให้แล้วเผลอๆนะคนที่เขาฉลาดฉลาดฉลาดในทางทำเนี่ยฉลาดในการรู้สัจจะเนี่ยปรากฏว่าเขามาสอนให้นี่กลายเป็นอะไรอีกกลายเป็นด่าว่าเขาหรือเผลอๆจะทำลายเขา อ, อด้วยเเพราะว่ามันจะมียุคเนี่ยที่เขาเรียกว่าบางทีถึงถึงอะไรนะ กรียุกอะยุกที่คนมัน โ, โหเลวซามากๆคนมีธรรมะนี่นะอย่าว่าแต่ไปสอนใครเลยยังจะต้องหนีเข้าป่าเข้าเขาเข้าถ้เาำเลยด้วยเพราะกรียุคเนี่ยมันแบบว่าโอ้โหพวกคนกิเลสหนาคนมันเร็วมากๆแล้วนี่มันไม่ฟังอะไรแล้วคราวนี้นะมันแก่งแย่งกันฆ่าแกงกันเบียดเบียนกันทำร้ายกันไม่ต้องไปสอนธรรมะหรอกสอนมันไม่ได้เลย แล้วในโลกนี้ความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องรู้สัจจะนะอย่าไปเข้าใจว่าทุกคนสอนได้หมดนะเพราะทุกคนเนี่ยบางคนเนี่ยมีร่างเป็นคนแต่วิญยานเนี่ยจิตบิญญาณไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นมนุษย์ขอภัยพูดผิดคือร่างเป็นคนแต่จิตวิญญาณไม่ได้เป็นมนุษย์ฟังภาษาให้ดีๆนะเพราะคาว่ามนุษย์เนี่ยแปลว่าผู้ที่มีจิต ประเสริฐแล้วถึงจะเรียกว่ามนุษย์เพราะภาษาบาลีเนี่ยมนุษะมนุษโสนี่เนี่ยแปลว่าผู้ที่มีจิตใจประเสริฐฮัลล์บางคนนีได้ล่างแค่เป็นคนเท่านั้นเองแต่จิตวิญญาณเป็นอะไรมั่งเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นอะไรเป็นสัตว์เดรัจฉาน โอ้โหเนี่ยเยอะแยะไปหมดอันนี้พระเจ้าท่านก็มีตัดเอาไว้พวกนี้หรือว่าเป็นผีปีศาจเป็นอะไรเนี่ยท่านไม่ได้ไหมายถึงไอ้วิญญาณที่ไหนเป็นปีศาจแล้วไม่มีร่างไม่มีตัวตนอะไรไม่ใช่นะจริงๆท่านกำงหมายถึงมนุษย์เดินดินไอ้คนเดินดินเนี่ยแหละที่ที่เรียกว่ามีจิตวิญญาณเป็นเปรเป็นพูดผีเป็นอะไรต่ออะไรเพราะจะให้เรารู้ว่าไม่ได้หมายความว่า ทุกคนจะสอนได้แม้ผู้เจ้าเนี่ยท่านก็ไม่ได้สอนทุกคนบางคนท่านก็ไม่สอนไม่สอนจริงๆนะมาหาผู้เจ้าเนี่ยมาเข้าเฝ้าเลยอันนี้มีในพระไตรปิฎกเลยมาเข้าเฝ้าเสร็จแล้วก็ถามไม่นนถามไม่นี่ผู้เจ้าเงียบเลยผู้เจ้าไม่พูดด้วยเลยแม้แต่สักคำเดียวผู้เจ้านั่งเฉยไม่พูดด้วยเลยจนเรียกว่าคนนั้นน่ะกลับไปเลย กลับไปเสร็จพระอานอนท์ก็เลยสงสัยก็เลยต้องถามผู้เจ้าว่าทำไมผู้เจ้าไม่ไ ม, ไม่ไม่คุยกับเขาไม่สอนอะไรเขาเลยที่เราบอกว่าปกติเนี่ยผู้เจ้ามีอัยารัยสอัชฉาใสอะไรนะปฏิสันธานคนอื่นก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะ <c oughs> คุณจะเข้าใจผิดว่าโอ้คนดีคนเลวคนชั่วกอะไรปฏิสันถานหมดแมเดี๋ยวก็หมูมากาไก่ก็ปฏิสันถานหมดสต่อย่า ง, งี้ ไม่หรอกจะต้องเข้าใจด้วยอันนี้เพราะฉะนั้นโอ้โหเร็วจริงๆคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วพูดไปเนี่ยมันมีแต่จะหาเรื่องแล้วก็โง่เกินกว่าจะมีปัญญารู้เรื่องนี่ท่านก็ไม่คุยด้วยเลยท่านไม่ตรัส ด, ด้วยเลยาะนั้นพอพระอนุนถามเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าคนแบบเนี้ท่านไม่ไม่คุยด้วยท่านไม่ตรัส ด, ด้วยเราเรียกว่าอะเวนยสัตว์นะคือสัตว์ที่ สอนไม่ได้เพราะันท่านก็ไม่สอนท่านก็ไม่คุยด้วยวพาะอันเนี้พวกเราก็จะต้องรู้เอาไว้เพราะท่านถึงได้บอกไงว่าให้คบคนดีอย่าไปคบคนชั่วเพราะอะไรคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหามักผลว่าอันนี้ต้องรู้นะต้องฉลาดต้องเข้าใจแต่พูดอย่างนี้ไปเลยเดี๋ยว คนไหนเราไม่ชอบขี้หน้าก็ไม่พูดด้วยไออย่างนี้นะถ้าไม่พูดด้วยอันเนี้ยคนไม่พูดด้วยเพราะเราเราเกลียดขี้หน้าเขาเราไม่พูดด้วยอันเนี้ยกิเลส ค, คุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกิเลสความเกลียดกิเลสความไม่ชอบใจกิเลสการถือสาอะไรคุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเพิ่มขึ้นเรื่อยคือความชังนั่นเองความที่ไม่ชอบเขาอ่ะจะหนาขึ้นเรื่อยๆเพราะนหัดพูดกับเขาแต่คนที่ไม่ชอบขี้หน้าเนี่ยพอเวลาเราจะพูดกับเขา ต้องพูดแบบไหนต้องพูดแบบเสียงแข็งๆหน่อยตาดุๆหน่อยหรือเปล่าถ้าอย่า ง, ง น, นั้นไงแสดงว่ายังยังยังยั ง, ยงฝืนยังบังคับกิเลสได้ไม่ดีพอยิ่งถ้าเกิดพออ้าปากพูดกับเขายิ่งไปสอเสียดเขาไปพูดอะไรอะ่ะเกา่ราวกับเขาไปพูดแข็งๆกับเขาเอา้าวอันนั้น กิเลสก็เพิ่มขึ้นอีกเลยยิ่งหนายิ่งหนักขึ้นเลยเพราะฉะนั้นที่ให้พูดเนี่ยคือต้องมีเมตตาเราพูดกับเขาก็ต้องพูดสุภาพกับเขาต้องพูดดีๆกับเขาอย่าไปพูดก้าวร้าวดุนแรงอะไรเพราะเราเกลียดเขาอ<ม>ย่างนี้กิเลสถึงจะลดลงได้พูดกับเขาเขาไม่พูดด้วยอ น, นําปากเขาปากเรานี่อยู่ที่เรานี่ใช่ไหมถ้าเราพูดเราก็ เออถือว่าเราได้ลดกิเลสเราส่วนถ้าเขาก็เกลียดเราแล้วเราพูดแล้วเขาไม่พูดตอบก็ปากของเขาก็บอกแล้วอย่างนั้นกิเลสเขาก็หนาขึ้นเองจะไปห่วงกิเลสเขาทําไมอ่ะห่วงกิเลสเราเองสิอันนี้ถ้าเรารู้ตรงนี้เราเข้าใจตรงนี้ชัดเจนเออนะเราก็จะแบบว่าเนี่ยมีปัญญาแล้วคราวนี้เราจะรู้ว่าเราไม่จะคิดแต่ว่ารอให้ใครมาให้เรา เอเมื่อไหร่ใครจะเอาอาหารมาให้เราสักทีเมื่อไหร่ใครจะเอาเสื้อผ้ามาให้เราสักทีเมื่อไหร่ใครจะเอายานบาหานาสมาให้เราสักทีเมื่อไหร่ใครจะให้ที่พักพาอาศัยดีๆกับเราสักทีไม่รอหรอกเพราะบอกแล้วผู้ที่ให้นี่คือผู้ได้บุญใช่ไหมอ่าผู้ให้นี่คือผู้ได้บุญเพราะน้อย่าเอาแต่รอนะรอคนมาให้เนี่ย เพราะเราก็ทำให้อะไรอะ่ะให้คนอื่นเขาได้บุญอยู่นั่นแหะส่วนเราเองเราไม่ค่อยให้ใครเงี้ยเสร็จเลยคุณก็ไม่ได้บุญบนอะไรอะ่ะอืมก็มีแต่เป็นผู้รับไม่ยอมเป็นผู้ให้เลยเอาถ้าอย่างนี้ไม่ได้บุญนะอย่างเช่นถ้าฟังทมไปเนี่ยเราได้ศึกษาธรรมะเราได้ฟังทมไปเออเราได้รู้เราได้เข้าใจเมื่อ เราเอาไปประพฤติเราเอาไปปฏิบัติอย่างนี้ถือว่าคุณเริ่มให้บังแลเพราะการที่เราไปไปประพฤติไปปฏิบัติเนี่ยสมมติเรารู้ศีลอะไรมาเราเข้าใจความดีความถูกต้องอะไรมาเราเอาไปปฏิบัติเนี่ยการลงมือปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยทำให้เราต้องอะไรต้องให้กับคนอื่นแล้วจะทางมือทางทางร่างกายนี่ก็ตามอย่างเช่นคุณรู้ว่าเออ การให้คนอื่นเนี่ยมันดีนะมันเป็นบุญเป็นกุศลนะบางทีมือไม้เราเวลาเราก็มีเอาเราก็ไปช่วยคนอื่นเขาไปหยิบไปจับไปทาอะไรต่ออะไรอันนี้คุณจะเริ่มให้เขาขึ้นมานี่ทางทางทางกายอา้าวเขาบอกว่าอาตอนนี้ขอแรงไปช่วยยกกระสอบนะอา้าวเราไปช่วยเขายกเอา้ากระสอบข้าวกระสอบปุ๋ยกระสอบอะไรไงอย่างนี้อา้าวคุณเริ่มเป็นผู้ให้ไหม เป็นผู้ให้คือแบบอย่างที่เราได้บุญหรือเราไม่ได้ให้ทางกายแต่บางทีทางวาจาเป็นยังไงพูดกับคนเขาด้วยความสุภาพพูดด้วยความจริงใจพูดด้วยความเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นเขาพูดด้วยความอะไรอ่ะไพเราะคนอื่นฟังแล้วก็เออเข้าหูฟังแล้วยินดีพอใจ ทำให้คนมีความสุขได้ในการฟังโดยที่ไม่ใช่ทุจริตนะบอกแล้วโดยสุจริตโดยไม่ผิดศีลน ะ, ะพูดเนี่ยพูดอย่างถูกเป็นสัมมาวาจาอย่างเงี้ยเราเริ่มเป็นผู้ให้ไม่จำเป็นว่าต้องเท ธ, ธรรมะหรอกไม่จำเป็นนะให้โดยที่ให้ความรู้ให้อะไรอย่างต่างก็ก็เป็นบุญกุศลเหมือนกัน เพียงแต่ผู้เจ้าทรนตรัสว่าการให้ธรรมะกับคนอื่นเนี่ยเป็นธรรมทานที่สูงที่สุดสูงกว่าให้วัตถุสูงกว่าให้ข้าวของนะอันนี้โดยวาจาหรือแม้แต่คราวนี้เราเป็นผู้ให้แม้แต่บางทีบางคนเนี่ยเจ็บป่วยนอนก็ดิกไม่ได้เลยตัวก็กระดิกไม่ได้ปลาก็กระดิกไม่ได้เหลือแต่ใจเพียงอย่างเดียวที่คิดได้ คิดได้นึกได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดรู้ว่าเออนี่ใครมาดูแลรักษาพยาบาลเราใครเขาพูดยังไงใครเขาทำยังไงเออตายังเห็นได้อยู่จิตเนี่ยก็คิดแบบให้คือคิดดีๆอย่าไปคิดโกรธไปคิดเกลียดไปคิดไม่ชอบใจไปคิดถือสาคนนั้นคนนี้หรือไปคิดลักผูกพันอะไรอาวอนอะไรกับใครเขาซึ่งมันจะเป็นทุกข์มันจะเป็นความ ทรมานใจเราเองเรางคนนี้รู้อย่างเงี้ยก็พยายามทําจิตให้มันสงบนะ่รู้จักฟิชจารณาอ่าอันนี้กิเลสเราเอาไว้พยายามคิดคิดในทางที่ดีคิดในทางกุศลให้กิเลสไอ้ตัวโลภเนี่ยมันลดลงให้กิเลสตัวที่เราขี้เกียจมีบืองกันบางคนหมดอะไรตายอยากแล้วถ้าป่วยถึงขนาดนี้นะเรียกว่า คิดแต่อะไรอะ่ะอยากตายลูกเดียวอ่าจริงๆถ้าใครป่วยอย่างเนี้ยมักจะถ้าไม่ฝึกมานะส่วนใหญ่จะคิดอย่างนี้เกือบร้0ยเปรเเลยถ้าไม่ฝึกจิตมาส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เลยคิดอย่างเดียวคืออยากตายยิ่งคิดอย่างเนี้ยคุณนึกดูสิจิตเป็นอ ก, กุศลจิตเลวนะจิตอย่างนี้จิตไมได่ดีอะไรเลยไม่ต้องอยากตายหรอกถ้ามันจะตายมันก็ตายเองอะ่ะไม่ต้องมาอยากมันหรอก เพราะถึงเวลาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยตามวิบากกรรมของแต่ละคนถึงเวลาตายมันก็ต้องตายคุณจะอยากหรือไม่อยากมันก็ต้องตายออแล้วฐานจริงๆอ่ะคนเราอยากตายเหรอคนเราอยากตายเหรอไม่อยากหรอกจริงๆไอ้ที่ป่วยแล้วไอ้นั่นน่ะมันไม่ได้อยากตายจริงหรอกแต่ที่อยากตายเพราะอะไรเพราะมันแหมอยากจะทำอย่างที่สมใจมันไม่ได้แล้วอ่ะถ้าถ้านอนอย่างนั้นแล้วก็ยัง ได้อะไรสมใจตามที่ตัวเองชอบอยู่นะโทรรับรองเลยไม่อยากตายหรอกแต่ที่อยากตายเพราะว่าอะไรบอกแล้วเพราะมันจะแหมสูญเสียนั่นสูญเสียนี่เดี๋ยวจะไม่ได้มาอีกแล้วนะเคยกินเคยตักข้าวกินเองโงคราวนี้ตักไม่ได้แล้วนะต้องให้คนอื่นป้อนให้นะหรือเคยกินเป็นคำข้าวอ่ะเคยเคี่ยวกินคราวนี้เขาให้สายยางนะเขาต่อเข้าลําคอเลยนะเจาะคอนี่นะ เคี้ยกินอร่อยเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้มันมันไม่ผ่านลิ้นแล้วนี่มันเล่นลงกระเพาะไปเลยเงี้ยคุณไม่ไม่รู้รสชาติอาหารเลยนะเป็นยังไงเพราะมันลงไปกระเพาะอย่างเดียวโอ้โหอะไรอาวรนโอ้โหไม่ได้กินอย่างนี้แล้วเพราะฉันอยากตายอา้าวเห็นไหมมันไม่ได้อยากตายจริงแต่จริงๆแล้วเพราะไม่ได้สมใจอย่างที่ตัวเองอยากจะให้เป็นไปอยากจะให้มีได้แต่มันไม่มีอย่างนั้นเลยอยากตาย ถึงบอกไม่ใช่ไม่ใช่อยากตายโดยสัจจะไม่ได้อยากตายโดยความเป็นจริงเพราะถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องรู้อันนี้ถ้ารู้อันนี้นะจะวางจิตวางใจเออมันเจ็บป่วยถึงขั้นนั้นก็วางจิตวางใจนะก็อยู่หรือว่าก็ทาไปเท่าที่มันจะทำได้ก็จะดูแลรักษาใจตัวเองเนี่ยให้ดีเกิดมีความคิดน้อยใจอะไรขึ้นมาโอ้เรานอนอ ย, อย่างนี้แต่ก่อนเราเคยไปเยี่ยมคนนั้น เคยไปเยี่ยมคนนี้ตอนนี้ถึงคิวเราไม่มีใครมาเยี่ยมเราเลยน้อยใจเสียใจอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงป่วยหรอกบางคนไม่ป่วยหรอกล้างจานล้างชามอยู่คนเดียวก็คิดแล้วไม่มีใครมาช่วยเราเลยดูที่จานชามกองเบลอเลยน้อยใจแล้วไปคิดอย่างนี้ทำไมคิดอย่างเงี้ยเป็นผู้เอาอีกละ เป็นผู้ที่จะแบบว่าแม้อยากอยากอยากให้คนอื่นมาให้เราอีกแล้วก็บอกแล้วคุณคิดอย่างนี้คุณจะไปได้บุญได้กุศลอะไรคุณต้องคิดแบบผู้ให้สิให้เขาแล้วคุณถึงจะเป็นบุญเป็นกุศลโอ้โหจานชามกรบรลเลอร์เลยนี่นะนี่เขาให้เราล้างคนเดียวเลยโอ้โหบุญเยอะบุญหนักบุญใหญ่บุญหนาบุญอะไรอีกนะหลวงตาพรมชอบพูดบุญอะไรบุญหลาย เห็นไหมเนี่ยมันอยู่ที่จิตคิดแล้วใช่ไหมจิตคิดเป็นเนี่ยรู้จักคิดแล้วจิตคุณไม่ทุกข์นะเพราะเนี่ยถ้าเราเข้าใจการให้เนี่ยพระสูตรเนี่ยเป็นเรื่องของการให้ยิ่งคุณเข้าใจไม่ใช่แค่เรื่องของวัตถุเข้าของภายนอกเท่านั้นคุณเข้าใจการให้ทั้งทางวาจาคุณเข้าใจการให้ทั้งทางจิตวิญญาณหรือจิตใจเนี่ยคุณชัดเจนขึ้นมาแล้ว นี่แหละยิ่งเราเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติรับรองได้เลยหลายอย่างที่เราเคยหอบหวงคุณจะเสียสระได้ง่ายขึ้นหลายอย่างที่เคยแบบว่าเกียรติชังไม่ชอบใจนะไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มันไม่อยากให้เข้ามาทำอย่างนี้คราวนี้ถ้าคุณรู้จักให้คุณจะแบบเออไม่ไปถือสาไม่ไปอะไรละมันจะลดลงมาเพราะว่าเอออย่างงี้ก็ให้เขาทาบ้างก็ได้เขาทาไปแล้ว มันจะเสียหายบ้างเราก็รู้ว่าเอาเขาเขายังไม่เก่งเขาทาไปแล้วมันก็เสียหายบ้างชํารุดบ้างอะไรบ้างอือย่างงี้แหละเนี่ยทั้งทางวาจาทั้งทา ง, ท ง, ทงจิตใจเราสามารถที่จะเป็นผู้ให้ได้ถ้าอย่างเงี้ยคนนั้นเนะี่ยจะเริ่มเป็นผู้ที่รู้จักสร้างทานบารมีจะเป็นวัตถุทานก็ตามจะเป็นอภัยทานก็ตาม หรือจะเป็นธรรมทานก็ตามคนนั้นจะเข้าใจแล้วยิ่งนานบรรเข้าคนนี้ยิ่งฝึกไปนะยิ่งฝึกบ่อยเข้าบ่อยเข้าจะเป็นคนอารมณ์เย็นขึ้นจะเป็นคนมีน้ำใจให้กับคนอื่นๆได้มากขึ้นจะเป็นคนมีเมตตาเห็นอกเห็นใจคนอื่นนา่างมีปัญญาด้วยไม่ใช่อย่างโง่เซ่อ ไม่ใช่ช่วยเหลือใครบอกแล้วนะไม่ใช่ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือดาไปเลยไม่ใช่คุณช่วยเหลือโจรให้มันช่วยปน <c oughs> จะไปโง่ไงจะไปช่วยทำไมเออจะมีปัญญาที่จะรู้ว่าเอออะไรที่ควรช่วยอะไรไม่ควรช่วยเนี่ยจะรู้จักให้แบบนี้ให้อย่างถูกต้องแล้วถ้าคนนี้ฝึกไปเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆน้ำจะสูงก็เรื่อยสูงกเรื่อยจนในที่สุด ให้จนหมดเนื้อหมดตัวคำว่าหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยจริงๆยังไม่หมดนะเพราะมันหมดแค่ตัวจริงๆมันต้องให้จนหมดใจเลยหมดจิตเลยนะมันถึงจะหมดจริงๆเพราะหมดตัวเนี่ยคุณยังเหลือจิตวิญญาณอยู่นะบางทีใช่ไหมถ้าคุณให้แค่หมดตัวเนี่ยคุณยังเหลือจิตวิญญาณอยู่มีตัวอย่างมาแล้วที่ให้จนหมดตัวนะ แต่ในที่สุดตัวเองยังเหลือกิเลสอยู่บานเบอร์เลยยังเก็บเอาไว้ตั้งบานเบอร์เนี่ยไปไปมามาก็เลยกลับไปหาใหม่กลับไปหาเพิ่มมาใหม่เพราะไอ้ที่หมดตัวมันหมดไม่จริงไงเพราะใจมันยังไม่หมดยังเหลือใจเอาไว้อยู่ให้หมดตัวแต่เหลือใจเพราะในที่สุดบางคนเนี่ยสละเลยถึงขั้นออกบวชไม่ใช่ยุคนี้ก็ได้เป็นยุคพระพุทธเจ้าก็ได้ ใช่ไหมมีตัวอย่างมาแล้วแม่ภิกษุเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยแหละมาบวชในสมัยพระพุทธเจ้าแต่บวชแล้วมาศึกไปก็มีอะไอ้แม่อย่างเนี้ยประเภทที่บวชแล้วหมดเนื้อหมดตัวแต่ยังเหลือใจอยู่เหลือกิเลสเอาไว้ยังไม่ยอมทําให้หมดสักทีเพราะไหนที่สุดอย่างเยี่ยมจะเวียนกลับไปได้เพราะไหนที่สุดตัวก็ไม่หมดหรอกมันก็จะไม่เพิ่มตัวตนใหม่อีกวันนียจะมีบ้านมีช่องมีอะไรต่ออะไร เออศึกไปแต่งงานแต่งการศึกไปหาเงินหาทองอะไรก็มีตัวอย่างมาแล้วทั้ ง, ง น, นั้นท่านถึงบอกว่าให้แค่หมดเนื้อหมดตัวนี่มันยังน้อยไปมันต้องให้หมดจิตหมดใจเลยนะอุทิศให้เลยเนี่ยคำว่าอุทิศเนี่ยที่แปลว่าให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แกใครดี <c oughs> นะอุทิศให้เลยให้จริงๆ เอาอย่างอย่างอย่างสมมุติอย่างพวกเราที่มาปฏิบัติธรรมในสายอโศกนี่มีนะที่บอกว่าชาตินี้อะไรให้พ่อท่านชาตินึงแล้วให้ไปให้มาไม่รู้ไปอยู่ไหน <c oughs> ยังให้ไม่จริงเพราะถ้าให้จริงๆก็ต้องให้กันจนถึงวันตายไปเลยแม้ว่าสมมุติว่าสมมุตินะเอาแม้ว่าพ่อท่านมาอยู่แล้วพ่อท่านตายไปแล้วเนี่ย แต่คุณให้เนี่ยจริงๆน่คุณไม่ได้ให้ที่แค่ตัวพ่อท่านแต่เราให้เนยให้อะไรให้กับาศาสนาให้กับคำสอนของผู้เจ้าเจ้าแม่เนี่ยผู้เจ้าจะดับขันพริติพานไปแล้วอา้าหรือหรือครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็ไม่ได้อยู่แล้วเอาแต่คำสอนอะไรก็ยังอยู่นี่เราก็ยังประพฤติปฏิบัติได้ต่อไปอีกเพราะฉะนั้น ถ้าคุณให้หมดเนื้อหมดตัวคุณไปไหนไม่ได้หรอกคุณจนตายนั่นแหละจนตายเนี่ยตายอยู่ที่เนี่แหละไปที่ไหนไม่ได้มันก็ต้องไปอย่างนั้นเลยอันนี้เป็นสัจจะแล้วก็จะอยู่ในศาสนาพุทธนี่แหละจะไม่ไม่ออกนอกศาสนาพุทธนี่เลยต่อให้คุณยังไม่จบชาตินี้นะคุณตายคุณตายหมดเนื้อหมดตัวจากชาตินี้นะแต่บอกแล้วถ้าถ้าคุณตายชนิดว่า จิตวิญญาณคุณก็ให้หมดนะแต่กิเลสยังไม่หมดคุณก็ไปเกิดอีกพอคุณเกิดชาติหน้านี่สมมติคุณได้เป็นคนอีกได้เป็นมนุษย์อีกนะคุณก็ทําต่ออีกคุณก็มาต่อาศาสนาพุทธนี่ต่อไปอีกนี่นี่คือให้ถึงจิตวิญญาณเพรา ะ, ะนั้นถึงบอกว่าจะไม่ไปเป็นาศาสนาอื่นเลยจะอยู่ได้แต่าศาสนาพุทธนี่เท่านั้นจะไม่มีเปลี่ยนใจไม่มีเปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่น แล้วถึงจะมีใครพยายามจะให้คุณเปลี่ยนยังไงนะเอาคุณไปสะกดจิตเอาคุณไปบอกบูชายันนะถ้าไม่อะไรนะถ้าไม่ยอมเปลี่ยนศาสนานี่จุดไฟเผานะเอาจริงๆตายก็ตายอะยังไงก็ไม่เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเลยแล้วนี่แหละคือผู้ที่ให้จริงๆนะถ้าวันนี้ใครเข้าใจได้ว่าให้หมดเนื้อหมดตัวให้หมดจิตวิญญาณของเราเลย คนนั้นจะเป็นผู้เที่ยงจะไม่เปลี่ยนแปลไปเป็นอย่างอื่นอีกเลยตลอดชีวิตไม่ว่าชาติไหนไหนเอาวันนี้คงพอเท่านี้